2 0 1ร่พีชะมีแค่ตนเองอัตาแต่ไม่เป็นภัยต่อใครพลังงานของพีชะยังไม่รู้สึกทุกข์หรือสุขจึงไม่มีบาปหรือไม่ต้องมีบุญพีชะมีพลังงานสร้างตัวตนเซลของมันเท่านั้นมันแค่มีตัวตนตามอัตโนมัติเซลอับบิลส์ยังไม่มีความเห็นแก่ตัวเซลฟิช มันมีแต่สร้างตัวเองทำด้วยตัวเองเซลเมดซึ่งแค่เลี้ยงตนเองได้พอเพียงแก่ตนเองเซล s u f f i c i e n t แม้แต่การป้องกันตนเองการยกอ้างอะไรขึ้นมาป้องกันตนเองเซล defense มันยังทำไม่ได้เท่ากับสัตว์ทำเลยมันวิ่งหนีหรือมันเคลื่อนไหวไม่ได้คล่องตัวเท่าสัตว์ ซึ่งความเป็นสัตว์ที่เริ่มมีกิจยามนั้นจะมีความอิสระแมในความเป็นองค์ขาพยพภายนอกของมันก็จะมีมากกว่ากันแล้วทีชัิยามมันยึดสิ่งที่มันกําหนดรู้มาใช้ในตนเพียงชาติเดียวคือชาติชีวิตที่มันมีองค์ขาพยพที่เป็นรูปร่างตัวตนของมันเท่าที่ ความเป็นพืชที่มันเป็นนั้นเท่านั้นจบชาติเดียวนั้นมันไม่มีพลังงานสืบต่อสรรสติอีกจบชีวิตแล้วมันไม่มีอะไรผูกพันกับอะไรอีกเลยแม้แต่ตนเองก็ไม่มีพลังงานความเป็นตนไปสืบต่ออยู่ที่ไหนอีกจบชีวิตพีชะลงเมื่อใดทั้งองค์ขาพยพบของมันก็ดี พลังงานของมันก็ดีแตกแยกสลายไปทั้งสองภาวะไม่มีเชื้อพีชะใดเหลืออีก